นิโรธสัตว์คือความดับของขทุกขสัตว์ที่เป็นรูปนามทั้งหมดเมื่อนักปฏิบัติบรรลุมรรคยานรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วย่อมอยังเห็นว่ารูปนามทั้งหมดเป็นทุกข์และปราศจากตัณหาที่เพลิดเพลินยินดีในรูปนามด้วยเหตุนี้อุปทานขันห์าที่ควรจะเกิดขึ้นย่อมดับไปไม่เกิดอีก จัดเป็นความดับที่ไม่มีขันเหลืออยู่ซึ่งเรียกว่าอนุปาทิเศตนิพานหรืออนุปาทานิโรธคือความดับไม่เกิดอีกดังนั้นพระนิพานอันเป็นอารมณ์ของมัรคยานจึงชื่อว่านิโรทสัตสมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกราพิสูทั้งหลายอริยสัตว์คือทุกขานิโรธ ได้แก่ความดับสนิทตัญหานั้นทั้งหมดความสละตันหานั้นความปล่อยตัญหานั้นความวางตัญหานั้นและความไม่ปัวพันตัญหานั้นฉบับไทยมีรูปว่าทุกขะสมุทโย อ, อริยสัจจังและทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังแต่ฉบับชัดถสังคีติมีรูปว่า ทุกขัสมุทัยังอริสัจจังและทุกขะเนโรทังอริยสัจจังโดยทุกขะสมุทัยังและทุกขะเนโรทังมีรูปเป็นนปบปงสกัลิงตามอริยสัจจังปาฏะที่เป็นนปุงสกัลิงนี้สอดคล้องกับอัตถกถาของปฏิสัมพิามักว่า ในคำว่าอิทาังทุกขงังอริยสัจจังเป็นต้นเมื่อควรกล่าวว่าทุกขะสมุทโยทุกขะนิโรโทแต่ได้กระทำการเปลี่ยนลิงว่าทุกขะสมุทยางทุกขะนิโรทงังข้อความข้างต้นแสดงว่าคำว่าทุกขะสมุทยางทุกขะนิโรทงัง เป็นลิงฆะวิปลาสที่กราวเป็นรูปนับปุงสะกะลิงในเมื่อควรกราวเป็นรูปปุงลิงว่าทุกขะสมุทโยทุกขะนิโรโธอย่างไรก็ตามคาภีวิสุทธิมรคมหาดีกากราวถึงรูปว่าทุกขะสมุทโยและทุกขะนิโรโท โดยเห็นว่าแม้ลิงจะต่างกันก็ไม่ผิดหลักภาษาเหมือนคำว่าอุปโทพยังความเกิดขึ้นของสังขารน่ากลัวดังสาทกในคำภี น, นั้นว่าเมื่อมีเนื้อความเสมอกันแห่งบททั้งสองลิงย่อมต่างกันได้เช่นทุกขสมุทโย อ, อริยสัจจังด้วยเหตุดังกล่าว ในที่นี้จึงใช้ตามฉบับไทยรูปนี้ยังสอดคล้องกับคำว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งเป็นอิทธีลิงอีกด้วยมรรคสัตว์คืออรยิยมรคมีองค์แปดอันมีสัมมาทิตฐิเป็นต้นซึ่งอย่างเห็นพระนิพพานโดยประจักษ์สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูการะพิกษุทั้งหลายอริยสัต์คือมรรคอันเป็นทางดับทุกข ได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองกล่าวคือความเห็นชอบความดำริชอบการกล่าวชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งมั่นชอบปุถุชนทั่วไปควรตามรู้อริยสัจสองอย่างคือทุกขสัจ ท, ที่เป็นรูปนาม ซึ่งเกิดดับอยู่เสมอและสมุทยสัตว์ที่เป็นตันหาอันเพลิดเพลินอารมณ์ที่มาปรากฏทางทวารทั้งหส่วนเนโรธสัตว์และมรรขสัตว์ไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานอย่างแท้จริงนักปฏิบัติผู้น้อมใจไปสัจจะทั้งสองนี้ว่าเป็นสัจจะที่ดีเลิศไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสก็จัดเป็นการตามรู้โดยปริยาย ดังคัมภีอธิกถากล่าวว่าในบรรดาสัจจะเหล่านั้นสัจจะสองอย่างแรกชื่อว่าวัตตสัจสัจจะที่อยู่ในวัตต์สองอย่างหลังชื่อว่าวิวัตตสัจสัจจะที่พ้นจากวัตต์ในสัจจะสองอย่างนั้นการเจริญกรรมฐานย่อมมีแก่ภิกษุในวัตตสัจ ไม่มีการเจริญกรรมฐานในวิพัตตสัตว์นักปฏิบัติได้เรียนรู้สัจจะสองอย่างแรกโดยสังเขตว่าขันห้าเป็นทุกขสัตย์ตันหาเป็นสมุทยสัตว์หรือโดยพิสดารมีไนว่าขันห้าคืออะไรคือรูปขันเป็นต้นการสาธยายด้วยวาจาอยู่เสมอเสมอย่อมเป็นการบำเพ็ญกรรมฐาน ส่วนในสัจจะทั้งสองที่เหลือย่อมบำเพ็ญกรรมฐานด้วยการสดับอย่างนี้ว่านิโรธาติเป็นสัจจะที่ดีเลิศหน้าปรารถนาพอใจมัคซาติเป็นสัจจะที่ดีเลิศหน้าปรารถนาพอใ จ, จเธอเจริญกรรมฐานอยู่อย่างนั้นย่อมบรรลุสัจจะสีด้วยการแทงตลอดคราวเดียวกันย่อมยังเห็นด้วยการรู้ชัดคราวเดียวกัน กล่าวคือย่อมบรรลุทุกขศาสตร์ด้วยการแทงตลอดคือการกําหนดรู้ย่อมบรรลุสมุทัยศัตร์ด้วยการแทงตลอดคือการละย่อมบรรลุนิโรธศัตร์ด้วยการแทงตลอดคือการกระทําให้แจ้งย่อมบรรลุมรคศาสต์ด้วยการแทงตลอดคือการเจริญย่อมยังเห็นทุกขศาสตร์ด้วยการรู้ชัด คือการกำหนดรู้ย่อมอยังเห็นสมุทัยสัตว์ด้วยการรู้ชัดคือการละย่อมอยังเห็นเนโรทศสัตว์ด้วยการรู้ชัดคือการกระทำให้แจ้งย่อมอยังเห็นมัคสัตว์ด้วยการรู้ชัดคือการเจริญโดยประการดังนี้ในเบื้องแรกการแทงตลอดคือการเรียนไต่ถามฟังทรงจำ และกำหนดรู้ย่อมมีแก่เธอในสัจจะสองอย่างแรกส่วนการแทงตลอดคือการฟังย่อมมีในสัจจะสองอย่างหลังต่อมาการแทงตลอดโดยหน้าที่ย่อมมีในสัจจะสมอย่างส่วนการแทงตลอดอารม์ย่อมมีในนิโรธสัตว์ความจริงแล้วมัรคยานเป็นสภาวะรับรู้นิโรธสัตว์เป็นอารมณ์ ส่วนสัจจะสามอย่างที่เหลือนักปฏิบัติย่อมรับรู้โดยหน้าที่คือการกำหนดรู้การละและการกระทาให้แจ้งนอกจากนี้การเรียนไต่ถามฟังและทรงจาจัดเป็นความเข้าใจในระดับปริยัตเท่านั้นความเข้าใจในระดับวิปัสนาต้องการกำหนดรู้เท่านั้น ซึ่งในที่นี้หมายถึงวิปัสนาญาณทั้งหมดอันหนึ่งปุตุชนไม่อาจรับเอาโลกุตระธรรมคือมรรคผลและนิพพานมาเป็นอารมณ์โดยประจักษ์ได้เพราะตนยังไม่ได้บรรลุปุตุชนจึงกําหนดรู้นิโรธาสัตว์และมรรคสัตว์ไม่ได้ส่วนพระอริยบุคคลแม้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วก็ไม่กําหนดรู้นิโรธ และมัคคสัตต์เพราะไม่มีประโยชน์ในการละกิเลสด้วยการกำหนดรู้อย่างนั้นการน้อมใจไปนิโรธาสัตต์และมัคคสัตย์ว่าเป็นสัจจะที่ดีเลิศคือความตั้งใจในการบรรลุนิโรธาสัตต์และมัคคสัตย์นั้นด้วยการปฏิบัติธรรมสมดังความปรารถนาว่าเราจะพ้นจากความแก่และความตายด้วยปฏิปทานี้โดยแท้ ไม่ใช่ความพอใจแล้วระลึกถึงอยู่เสมอโดยอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิดังคำพีดีกาอธิบายว่าการเจริญกรรมฐานย่อมมีในวัตตสัตร์เพราะสามารถกำหนดรู้ได้โดยสภาวะไม่มีการเจริญกรรมฐานในวิวัตตศัตร์เพราะไม่ใช่อารมณ์ของปุตชน และแม้เป็นอารมณ์ของพระอริยบุคคลก็ไม่มีประโยชน์ในการกำหนดรู้คำว่าอิดถังกันตังสัจจะที่ดีเลิศหน้าปรารถนาพอใจแสดงการน้อมใจไปในเนโรทัสัตและมักคสัต ไม่ได้แสดงความพอใจพึงทราบว่าการน้อมใจไปในสัจจะเหล่านั้นคือการเจริญกรรมฐานในสัจจะดังกล่าวนักปฏิบัติผู้ตามรู้รูปนามปัจจุบันตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดลักษณะหน้าที่และอาการปรากฏของรูปนามนั้นๆพร้อมทั้งสภาวะแปลปรวนของรูปนาม สภาวะน้อมไปสู่อารมณ์ของนามธรรมและสภาวะเป็นทุกข์ที่ถูกบีบขั้นด้วยความเกิดดับเมื่อบรรุวิปัสสนาญาณขั้นสูงยอมรู้เห็นว่าสภาวะธรรมปัจจุบันที่กำหนดรู้ทั้งหมดนั้นมีสภาพเกิดดับอยู่เสมอไม่มีอารมณ์ที่ดีงามน่าพอใจแต่อย่างใด การรู้เห็นอย่างนี้คือการรับรู้ทุกข์สัตว์ตามหลักสัจจะเทศนาดังข้อความว่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าอุปทานอัคา์ห้านี้เป็นทุกข์ภิกษุย่อมรู้ชัดธรรมที่มีในภูมิสามยกเว้นตัญหาตามสมควรแก่สภาวะว่าอุปทานขัคารห้านี้ เป็นทุกข์คำว่ายะถาสภาวะโตหมายความว่าตามสภาวะที่ไม่แปลปรวนคือตามลักษณะเบียดเบียนอีกในหนึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างชื่อว่ายถาสภาวะภิกษุย่อมรู้ชัดตามสภาวะทุกๆอย่างอันมีการแปลปรวนและความแข็งเป็นต้นตามในแรกคำว่า ยถาสภาวะมีรูปวิเคราะห์ว่าสภาวัสระอนุรูปังยถาสภาวังยถาสภาวะคือสมควรแก่สภาวะในหลังมีรูปวิเคราะห์ว่าโยโยสภาโวะ ย, ะ ถ, าาวยะถาสภาวะคือสภาวะทุกๆุกอย่าง ธรรมที่มีในภูมิสามซึ่งเรียกว่าเตโพะมกธรรมคือธรรมที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรซึ่งเกิดภายในเหล่าสัตว์ส่วนธรรมะภายนอกอนินทริยพัทธรูปอันได้แก่อาหารเสื้อผ้าเป็นต้นไม่จัดว่าเป็นทุกขสัตว เพราะมิได้เกิดจากตัณหาที่เป็นสมุทยัยศาสตร์และไม่อาจระงับด้วยมรรคศาสตร์ความจริงแล้วในบางขณะนักปฏิบัติอาจตามรู้อารมณ์ภายนอกที่มาปรากฏเองได้บ้างเมื่อรับรู้อารมณ์ภายในอย่างชัดเจนแล้วเรื่องนี้จัดเป็นข้อยกเว้นพิเศษเท่านั้นอารมณ์ภายนอกทั้งหมดจึงไม่ใช่ทุกษาสตร์ที่ควรกาหนดรู้ อนินทริยพัททรูปคือรูปที่ไม่มีใจครองจัดเป็นสัจจะวิมุตตพ้นจากสัจจะทั้งสี่อริยสัจ4ี่ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตนี้ปรากฏอยู่ภายในกายที่ยาววานาคืบกว้างศอกเพราะทุกสัตว์ที่เกิดจากตัณหาได้เกิดขึ้นภายในกายนี้แม่นิโรธสัต มีความดับทุกข์และมรรคสัตว์ที่เป็นทางดับทุกข์ก็เกิดภายในกายนี้เช่นเดียวกันดังนั้นการตามรู้อริยสัจภายในกายจึงเป็นหลักสําคัญจะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดาตรัสการตามรู้กองรูปภายในไว้ก่อนกองรูปภายนอกในมหาสติปัฏฐานสูตร เพื่อแสดงความสำคัญของกองรูปภายในและเวทนาภายในเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสาทกอื่นว่าดูกระอาวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่จุติย่อมไม่อุบัติในที่ใดเราไม่กล่าวที่นั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้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 คำว่าโล ก, กังโลกคือทุกข์สัตย์คำว่าโลกะสมุทัยังเหตุเกิดของโลกคือสมุทยศัตร์คำว่าโลกะนิโรธังความดับของโลกคือนิโรธาศาตร์คำว่าปฏิปทางคือปฏิปทาคือมรรคสัตย์โดยประการดังกล่าว พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าตถาคตมิได้บัญญัติสัจจะสี่เหล่านี้ไว้ในอารมณ์ภายนอกมีญาและเฟินเป็นต้นแต่บัญญัติไว้ในอัตภาพที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เท่านั้นแม้นิโรธสัตว์อันบุคคลกำหนดรู้โดยความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกขสัตว์และสมุทยสัตว์ที่ ปรากฏอยู่ในกระแสะจิตของตนก็เหมือนปรากฏอยู่ในกระแสะจิตของตนดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคำพีอัตกถาว่าอัตโนวาจัตตาริสัจญานิสัจจะสีของตนแม้คำว่าปรัตสวาสัจจะสีของคนอื่นก็มีใดเดียวกันนี้ ความจริงนี่โรทสัตว์แม้เป็นธรรมภายนอกตามที่กล่าวไว้ในพระอภิธรรมว่าเป็นพหิทธธรรมธรรมภายนอกก็จัดว่าเป็นธรรมภายในตามปริยายที่กล่าวมานี้เพราะเหมือนปรากฏอยู่ในกระแสจิตของตนสรุปความว่าอริยสัตว์สี่ เป็นธรรมชาติที่ปรากฏภายในกระแสจิตของตนโดยการกำหนดรู้ทุกษัสตร์และสมุทยศัสตร์กระทานิโรทศาสตร์ให้แจ้งและเจริญมรรคศสตร์ให้บังเกิดภายใต้อัตภาพที่ยาววานาคืบกว้างสอกนี้ไม่ปรากฏในกระแสจิตของบุคคลอื่นผู้ที่เจริญสติตามรู้รูปนามปัจจุบันอยู่ เมื่อเกิดความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่พบย่อมจากกําหนดรู้เท่าทันได้การรับรู้อย่างนี้เป็นการรู้ประจักษ์สมุทธยสัตว์ในปัจจุบันนภพแต่สมุทธยสัตว์ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้เกิดรูปนามซึ่งทุกสัตย์ในภพต่อไปไม่ใช่สมุทธยสัตว์ที่เป็นเหตุเกิดของภพนี้ สมุทยาศาตร์เป็นเหตุเกิดของภพนี้นั้นเป็นสิ่งที่เหล่าสัตว์ได้กระทําไว้ในภพก่อนกล่าวคือบุคคลต้องการจะได้รับอัตภาพที่ดีงามเรียบพร้อมด้วยความสุขจึงบำเพ็ญกุศลไว้เขาย่อมไปเกิดในภพนั้นด้วยผ ล, ลบุญที่ทำไว้ซึ่งมีตัณหาเป็นมูลเหตุแต่บุคคลไม่อาจรู้ประจักษ์ตัณหาซึ่งดับไปแล้วได้ อย่างไรก็ตามตัณหาในอดีต ท, ที่มีสภาพเหมือนกับตัณหาในปัจจุบันและเกิดขึ้นในกระแสจิตของบุคคลเดียวกันจึงกล่าวได้ว่าเหมือนกันโดยอาศัยโดยเอกัตนายัยคือในที่มีสภาพอย่างเดียวกันเหมือนการเห็นมหาสมุทรหรือภูเขาบางส่วนก็อาจจะกล่าวได้ว่าเห็นมหาสมุทรภูเขาทั้งนั้น การตามรู้ตัณหาในปัจจุบันจึงจัดเป็นการตามรู้สมุทยาศาสตร์นักปฏิบัติผู้ย่างเห็นวิปัสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปอาจอนุมานรู้ตัณหาในอดีตได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อเขาได้อย่างเห็นสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนแล้วย่อมรับรู้ความเป็นเหตุผลของรูปต่อจากนั้นกล่าวคือสภาวะการเหยียดเกิดขึ้นจากจิตที่คิดอยากจะเหยียดรูปมีลักษณะเห็นเกิดขึ้นจากธาตุไฟที่มีลักษณะเย็นสภาวะเห็นเกิดขึ้นจากจักขุปราสาทต และรูปารมณ์การกำหนดรู้หรือความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากการมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตรับรู้ได้จิตที่เกิดในภายหลังจากจิตที่เกิดขึ้นก่อนนักปฏิบัติผู้รู้เห็นความสืบเนื่องของเหตุผลอย่างนี้แล้วย่อมอนุมานรู้ว่ารูปนามในพบนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมา ควรมีเหตุสืบเนื่องกันเหมือนรูปนามที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะเขาย่ออนุมานรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจกรรมและผลของกรรมว่ารูปนามดังกล่าวเกิดจากากุศลกรรมที่กระทาไว้ในอดีตและอนุมาณรู้ต่อไปว่ากุศลกรรมเกิดจากตัณหาที่ต้องการไปเกิดในภพที่ดีมีความสุขความจริงผู้ที่อนุมาณรู้อย่างนี้ มิได้คลุ่นคิดเป็นเวลานานเขาเพียงเกิดความเข้าใจด้วยการอนุมานรู้แล้วตามกำหนดสภาวะธรรมปัจจุบันต่อไปทันทีมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องในคัมภีอัตกถาว่าเธอย่อมรู้ชัดตัณหาที่ยังทุกขนั้นให้เกิดขึ้นมีขึ้นตามสภาวะว่าตัณหานี้เป็นเหตุเกิดของทุกอันหนึ่งทุกขศาสตร์และสมุทยาศาสตร์ ทั้งสองนี้เป็นสภาพที่ประจักษ์แก่เหล่าสัตว์อยู่แล้วแต่การจะเข้าใจสภาวะหน้าที่ของสัจจะเหล่านั้นโดยปรมัสลุล้วนไม่มีบัญญัติเจือปนเป็นสิ่งที่ทําได้ยากผู้ที่จเจริญวิปัสสนาตามรู้สัจจะเหล่านั้นตามความเป็นจริงย่อมจะเข้าใจสภาวะและหน้าที่ที่ได้ตามสมควรต่อเมื่อบรรลุมรคญาแล้ว จึงเข้าใจได้อย่างหนักแน่นไม่หวั่นไหวดังมีสาทกว่าโดยแท้จริงแล้วทุกขสัตย์เป็นสภาพปรากฏด้วยการเกิดขึ้นชาวโลกมักกล่าวในขณะกระทบต่อไม้และหนามเป็นต้นว่าโอ๋หนอเป็นทุกข์แม้สมุทยัสัตว์ก็ปรากฏด้วยการเกิดขึ้นโดยความต้องการจะเคี้ยว หรือบริโภคเป็นต้นแต่ทั้งสองอย่างนั้นลึกซึ้งด้วยการแทงตลอดสภาวะสัจจะเหล่านั้นลึกซึ้งเพราะรู้เห็นได้อย่างนี้คําว่าทุทตทัศตาเพราะรู้เห็นได้ยากหมายความว่าสัจจะเหล่านั้นแม้ปรากฏด้วยขณะที่บังเกิดขึ้นก็ลึกซึ้งเพราะไม่อาจรู้เห็นสภาวะ และหน้าที่ด้วยปัญญาปกติแต่ควรรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยภาวนาปัญญาที่ลุ่มลึกพร้อมด้วยมรรคยานอันประเสริฐที่แก่กล้าแล้วศาจารทั้งสองอย่างหลังนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแก่ปุตุชนจึงเป็นสภาพลุ่มลึกที่ปุทุชนไม่อาจรับรู้ได้โดยประจักษ์ผู้ที่เริ่มเจริญวิปัสสนา จึงได้แต่น้อมใจไปในสัจจะเหล่านั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติตามลำดับวิปัสนาญาณจนถึงญาณที่สี่ซึ่งเรียกว่าอุทยพยายญาณคือญาณอย่างเห็นความเกิดดับในบางขณะอาจอนุมาณรู้เหตุผลที่สืบเนื่องกันว่าขัน5มีสาเหตุมาจากอวิชชาตันหากรรม อาหารผัดสะและรูปนามถ้าไม่ใช่อวิชาเป็นต้นขันห้าก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อบรุพยาญคนอยา น, ย, านย่างเห็นสังขารว่าเป็นของน่ากลัวเป็นต้นไปแล้วก็ไม่อาจอนุมานรู้ว่าทุกขณะที่มีการเห็นได้ยินก็ยังมีความเร่าร้อนด้วยทุกในวัฏฏะความสงบอย่างแท้จริง ย่อมไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อสภาวะธรรมเหล่านั้นหมดสิ้นไปความสงบจึงเกิดขึ้นได้สมจริงดังข้อความในคำพีปฏิสัมพิทามากว่าพึงรู้ชัดว่าการเกิดเป็นภยัยการไม่เกิดเป็นความเกษมนอกจากนี้เมื่อบรรลุยานที่9ก้าซึ่งเรียกว่ามุจจิตุกรัรมยะตายานคือยานรู้ เห็นที่ต้องการจะพ้นไปจากสังขารนักปฏิบัติ บ, ตบางท่านอาจไม่ต้องการจะตามรู้ปัจจุบันเพราะรู้สึกว่าสภาวธรรมทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่ดีงามน่าพอใจแม้เขาจะไม่กำหนดรู้รูปนามก็สามารถรับรู้รูปนามได้เองด้วยกำลังวิปัสนาที่สั่งสมมาจนถึงระดับนี้ต่อมาเขาจะอนุมานรู้พระนิพพานว่า รูปนามไม่ได้ดับไปด้วยการไม่ใส่ใจตามรู้แต่ดับไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการรู้เห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเขาจะเพียรปฏิบัติเพื่อการบรรลุพระนิพพานต่อไปนักปฏิบัติย่อมรับรู้สัจจะทั้งสี่โดยประการดังนี้